พุทธศาสนาสำเร็จมาด้วยบุญบารมีของมหาบุรุษพระพุทธเจ้าของเราที่เกิดก็ยังปรากฏอยู่ที่ตัดสู้ก็ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ที่แสดงปฐมเทศนาก็มีหลักฐานวัดวาอารามต่างๆที่พระองค์เสด็จไปมีญาติโยมสร้างถวายก็ยังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่เราพอไปดูไปชมไปนม้มสักการกันได้อยู่ เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสำเร็จมาด้วยกำลังกายกำลังใจของมหาบุรุษพุทธสร้างบา ร, รมีมาสมบูรณ์แล้วไม่มีสิ่งใดบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นศา ส, สนาพุทธจึงมีคติที่เราควรจะทำความเข้าใจยึดมั่นว่าพระองค์ทรงสอนว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนสอนให้ทุกคนสร้างความดีเพื่อเป็นที่พึ่งของตน ที่นี้อัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเด็กเล็กมันเกิดมาหาอยู่หากินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้จะพึ่งตนเองอย่างไรอันนั้นเขาที่มาเกิดเป็นลูกพ่อลูกแม่เขาก็ได้สร้างบุญบา ร, รมีสร้างความเป็นตนของตนมาแล้วเขาจึงมาเกิดกับพ่อแม่ที่มีความมั่นคงและมีพ่อแม่ที่มีความสงสารเมตตาปราณีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอย่างดีที่สุดอันนี้เขาพึ่งบุญของเขาเอง